สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระบบเอฟเอ็มสเตอร์โอมาทิเพล็กซ์ความถี่ 89.5 เมกเฮิร์ซส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่214ถึง216ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร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 สการ้าจุดหา้าเมกะเฮิร์ตเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พระราชพิธีสำคัญในการเสด็จถเล่มถวันเลยยาวราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สิบแห่งพระบรมราชาจั ก, กรีวงศ์ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาดสมเดชรพระวะชีรกล่าวเจ้าอยู่หัวสมเดชรพระนางเจ้าสุธิดาพัชระสุธาพิโมนลักข์พระบรมราชินีและถวายพระพรชายมงคลเนื่องในโอกา ส, สเสด็จพระรัชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหัยาตราทางชลมากในพระราชิวิธีบรมราชาพิเศคเบื้องปลายวันที่12ธนวาคมสบนี้ พระราชพิธีบรมาราชาพิเศษพุทธศกราษช่อง1562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย RMUTT Farm Shop ยินดีต้องรั บ, รบค่ะ ที่นี่ระวังจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดไพรใส่กรอกไหร้แป้งไหร้สารการบูดเนื้อหูอ่ะพรีเมียมว้าวผัดสดผัดสลัดไขเหตุดน้องสดจากฟาร์มผลิตภัณฑ์เบกอรี่และอื่นอื่นอีกมากมาย อย่ารอช้ามาเลือกซื้อกันได้ที่ RMU T T Farm Shop ทางเข้าหมอเตอร์รอล์ธัญบุรีศูนย์รังสิต ท, ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาคัดสรรคุณภาพโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับชมรมกอล์ฟราชมงคลและสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลประจำปี2562ในวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2562ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับถนนสุวินทวงศ์กรุงเทพมหานครไรายได้สมทบทุน ร่วมสร้างหอพระพุทธภิรมย์มงคลพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีส่งเสริมสวัสดิการมหาวิทยาลัยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศลและสร้างความสมัครใจในหมู่คณะผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ศูนย์สองห้าสี่เก้าสามหกแปดศูนย์ถึงหนึ่งและศูนย์แปดหนึ่งแปดหกหกแปดห้าเก้าหนึ่ง ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามระฝับ่งรายการ My Computer ดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุราชมงคลทันยาบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่คอมพิวเตอร์ค่ะดาริสาตระกูลเนกพร้อมด้วยคุณปีพงษ์เคนทวายค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับทีเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลธัญบุรีมาเจอกันกับผมปีพงษ์เคนทวายนะฮะกับคุณดาริสารนะฮ ะ, ะมาเจอกันในวันนี้คุณผู้ฟังนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะ บรรยากาศของฮาโลวีนฮาโลวีนเมื่อวานผีหลอกใช่หลายคนบอกว่าส่งไปผีอ้าวคืออะไรเหรอผีคือเป็นมันเป็นอะไรนะคือจริงจริงมีมีทุกปีเลยนะอ่ากิมมิกทุกปีสำหรับคนไหนที่ใช้ไอโอเอสนะครับส่วนแอนดรอยด์ก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอาจจะมาตามตามมาทีหลังไง หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันปีไหนดิบะ <c oughs> นะปีไหนอ้าวก็ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยังใช้คำว่าผีฮาราวีนภาษาไทยแล้วก็ฮาราวีนที่เป็นภาษาอังเกฤษนะครับก็ยังต่อเนื่องกันอยู่ก็เป็นฟีเจอร์เล็กๆนะฮะในไลน์ที่เอามาต้อนรับคือจำได้ว่าอะไรนะถ้าเป็นช่วงของหิมะอ้า เคสมาร์ตเคสมาร์ตอะไรสักอย่างหนึ่งเอ็กสมาร์ตหรือสักอย่างเนี้ยใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะมีหิมะโปรยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เป็นเกล็ดตกเกล็ดลายเกล็ดหิมะเหรอเกล็ดน้ำแข็งอ่ะก็จะค่อยค่อยแบบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช่เฉพาะไอโอเอสเท่านั้นนะคะอ้าวก็ยังบอกว่านอกจากคำว่าผีแล้วยังมีคำว่าผีบ้าผีน่ารักผีผีอีกนะฮะก็จะมีฟีเจอร์เด้งออกมาแต่ว่าก็สำหรับไอโอเอสนะฮะก็เป็นกิมมิคเขาเล่นกันแต่ว่าในหน้าคอมเราก็ได้อย ได้ได้ในคอมอ่ะคอมต้องพิมพ์ในคอมแต่คนไหนที่พิมพ์ดูในมือถือก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องไงนี่ต้องบอกว่าไลน์ช่วงนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งคุณคุณเจอไหมจะมีการแฮกเขาเรียกว่าการแฮกกลุ่มไลน์การยังไม่เจอนะนี่ผมเจอมามาหลายกลุ่มแล้วอยู่ในกลุ่มมันเป็นยังไงมันเหมือนตอนที่โดนเฟซบุ๊กโดนไวรัสไหม คือกระบวนการเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าคือเหมือนเราส่งอะไรไปให้ในกรุ๊ปทุกกรุ๊ปอย่างเงี้ยหรอใช่อ๋อคลายการก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบบอ่าส่งอ่าเนี่ยนะผมผมส่งลิงก์อะไรอย่างเงี้ยปะคะอ่าส่งลิงก์ไปเออนะฮะอ่าแล้วก็ลิงก์เนี่ยเป็นลิงก์แบบที่เป็นแบบอ่าคลิปแบบอ่าสิบแปดบวกอ่ะอ่าอ่านะฮะแล้วก็ใครที่เข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนว่าติดไวรัสแล้วก็จะมีแบบ พอเข้าไปปุ๊บก็กลายเป็นคนนั้นส่งต่อถูกไหมชูก็จะเป็นคนเป็นชื่อคนนี้เข้าไปอยู่ในทุกกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการเบื้องต้นเดี๋ยวผมไปยังไม่ได้แก้อะไรนะก็เบื้องต้นคือเป็นลบคนนั้นออกจากกรุ๊ปก่อนต้องลบเขาออกจากกรุ๊ปไปก่อนพอไม่งั้นในกรุ๊ปเนี่ยต้องจะตามไปกดกันใช่บางคนเขาก็วิธีการคือเขาก็ลีฟตัวเองออกคืออันเนี้ยเนี่ยเห็นแต่ในเฟซบุ๊กที่ที่ดิฉันเคยโดนนะเออแต่ไม่ไม่ ไมไ่คิดว่าจะมาถึงไลน์คือไลน์เป็นแอปพลิเคชันที่แบบมันส่วนตัวนิดนึงอะไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะมาถึงขนาดนี้ไงคือถ้าเป็นเฟซบุ๊กเราแบบเออเราอาจจะโดนมาจากคนอื่นเหมือนกันอะไรอย่างนี้ไงคื อ, อเขาบอกว่าวิธีการเนี่ยแม้เราจะมีกลุ่มก็ตาม<ฆ>เขาบอกอย่างนี้นะฮะเราจะมีกลุ่มแล้วก็จะปิดไว้ก็ตามแต่ว่าถ้าเราใช้เป็น QR code ให้สแกนเข้าใช่ไหมใช่เปิดเปิดให้สามารถอ่าส่งเข้ามาได้แอดเข้ามาได้อะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะมีผลวิธีการเบื้องต้นก็คือปิดปิดในการแอดแอดแบบแอดอ่าแอด URL แอดโค้ดแอดอะไรเงี้ยต้องปิดหมดนะครับจะเชิญได้เฉพาะแบบถ้าจะเชิญก็คือคนที่ตั้งกลุ่มต้องตั้งกลุ่มหรือเราเป็นสมาชิกอ่ะเราไม่แค่เชิญแบบน่ะเข้ามาได้แต่เพราะว่าแบบเนี้ยคือคนสามารถที่สามารถจะแบบสแกนแบบ URL หรือแบบสแกนอะไรเนี้ยก็สามารถเข้ามาได้เลยค่ะนะฮะก็หลายท่านก็บอกว่าต้องจงแจ้งคงแจ้งความเนี้ยมันแจ้งความไม่ได้หรอกบางทีมันต้องแก้ด้วยคือไม่โดนกับตัวก็ไม่รู้หรอกนะบางทีคือมันต้องแก้ด้วยวิธีเบสิกพื้นฐานอย่างที่คุณบอกก่อนเลยนี่เขาบอกว่าต้องฟ้องนะต้องแบบเดินเนินคดีนี่เป็นกลุ่มแบบเนี้ย คือคือกลุ่มกลุ่มไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกตั้งโดยแบบมาอาหน่วยงานราชการตั้งมาเพื่อมีคำสั่งให้อันนี้มันเป็นแค่แบบว่าโอเคคุยงานกันมันต้องคุยงานกันหน่อยนะอย่างเงี้ยเพื่ออำเนินความสะดวกแค่นั้นเองอ่ะก็ฝากไปด้วยละกันนะฮะอันนี้ก็เจอมากับตัวแต่ว่าเราก็รู้แล้วแหละว่ามันน่าจะโดนแฮกโดนเฮิกอะไรเงี้ยก็น่ากลัวก็คือสิ่งหนึ่งคือเราก็อย่าไปซ้ำเติมคนที่เขา ติดเวลาตัวนั้นมามเพราะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะไม่เล่นเองหรืออะไรเงี้ยคือบางทีนี่ยังไม่รู้ตัวเลยนะใช่คือต้องเพื่อนมาบอกอีกทีว่าเธอส่งไลน์มาอะไรอย่างนี้บางคนก็ค<า>ือผู้หญิงผมเข้าไปตามไลายกรูป ะ, ะไปดูแล้ว ก็ไม่เจอแต่ไม่มีกรุ๊ปที่ยังเข้ามาอีกกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยก็ยังมีชื่อเขาอยู่บนเขาลบทิ้งไปแล้วลบทิ้งคือเพื่อจะได้ไม่ต้องโพสต่อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะฮะอ้าวก็มีความเกี่ยวข้องกับไลน์ก็เรามาบอกกันนะฮะค่ะามาดูในเรื่องของไมโครซอฟท์กันสักนิดหนึ่งไหม <Okay. S 2> อัปเดตหรือแล้วเหรอฮ ะ, ะใช่จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งอัปเดตอย่าคืออย่าเพิ่งให้ให้เจ้าตัววินโดว์สิบตัวเนี้ยอัปเดตอ้าวทำไมหลับผมวันนี้แบบอุ้ยมันต้องอัปเดตสิอัปเดตเองใช่ไหมคือ <c oughs> อยากอัปเดตเออบางทีต้องแบบอัปเดตเครื่องเรามันแรงอยู่แล้วคืออันนี้มีปัญห า, เอานิดหนึงเขาบอกว่าต้องแก่ต้องแก้นิดนึงนะคะบอกว่าอย่าเพิ่งปล่อยให้เป็นวินโดว์สิบเนี่ยนะคะเฉพาะตัววินโดว์สิบนะคะอย่าเพิ่งอัปเดตในไมโครซอฟต์เขาออกมาแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ ต้องการจะอัปเดตแพดตัวใหม่ในเรื่องของความปลอดภัยตอนนี้เนี่ยมีการปล่อยออกมาเพิ่มเติมนะคะระบุเพิ่มเติมว่า Windows 10เวอร์ชัน1809ที่อัปเดตในแพดอันล่าสุดนี้นะคะจะทำให้ระบบความปลอดภัย Microsoft Defender Advanced Threat Protection หรือว่า ATP เนี่ยหยุดทำงานก็คือตัวที่ ตัวที่กันในระบบความปลอดภัยอะ่ะมันจะหยุดทำงานไปนะคะส่วนในตัวนี้ที่อัปเดตไปแล้วเนี่ยที่เพิ่งออกมาสิบห้าตุลาคมเขาบอกว่าแก้ไขปัญหาในเรื่องของจอดำหลังเข้าสู่ระบบนะคะการทำงานผิดปกติของบลูทูธออเดียโอโปรไฟล์ที่ทำให้ตัวเครื่องเองเนี่ยมีพลังงานสูงกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองคือนอกจากนี้ตัวที่มีปัญหาของ windows สิบเองเนี่ยในเวอร์ชันนี้นะคะจะมีผลกระทบกับ windows สิบคือมีผลหลายด้านน่ะสรุปแล้วก็คือเพิ่งอัปเดตใครที่ อัปเดตไปแล้วนะคะสามารถลบออกได้โดยเข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะคะโปรแกรมแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมแอนฟีเจอร์เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เขียนว่าอินส tall อัปเดตนะคะคุณแล้วก็มองหาแพดที่ชื่อว่า k b สี่ห้าสองศูนย์ศูนย์หกสองแล้วก็คลิกอ่า un install ออกเท่านั้นเองคือไม่ใช่ว่าลบเลยนะ อันอินส tall อินส tall ลบไม่ได้นะก็บอกว่าลบเลยนะกด delete ไม่ได้ค่ะกด chip delete ไปได้เลยนี่หนักกว่าเดิมอีกนะฮะอ้าวคุณผู้ฟังสมาร์ทโฟนตอนนี้คุณผู้ฟังเราจะเคยได้ยินคำว่าอุ้ยถ้าเครื่องมันค้างมันแห้งเราก็พยายามปิดเครื่องแล้วก็รีสตาร์ทเครื่องซีทำบ่อยเออแล้วก็บางที iOS A เนี่ยก็จะบอกคุณก็กดแช่ซีกดแช่ไว้อ่าแล้วก็กดอะไรนะผมจำไม่ได้ต้องกด home ใช่ไหมแล้วก็กด กด Home กดปุ่ม Power ทั้งบนกดแช่ไว้หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็กดปุ่มตัวหน้าจ อ, อ ค้างไว้ทีเดิงแล้วมันก็จะรีตัวเองแล้วมันก็จะรีรี<ล>ตัวเองมันรีสตาร์ทเครื่องจะรีสตาร์ทมือถือบ่อยแค่ไหนเขามีเรื่องราวมาปากมือฟังกันนั้นฟังอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่ามือถือนั้นควรรีสตาร์ทเครื่องหรือปิดเครื่องเปิดใหม่บ้างเป็นระยะซึ่งบางคนก็อาจจะหมั่นทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่บางคนก็ไปยังสงสัยว่าเอ๊ะถ้าทำอยู่เหรอต้องทำไหมต้องทำบ่อยๆจริงหรือเปล่าถามเยอะเป็นคนช่างแบบเอ๊ะทำไมต้องทำหรอไม่เคยทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วควรจะ รีสตาร์ทบ่อยแค่ไหนเขามีคำแนะนำมาฝากกันการรีสตาร์ทเครื่องมือถือนะนักผู้ฟังนะฮะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้จริงเชื่อว่าคนที่ใช้มือถือทุกคนน่าจะต้องเจอปัญหาจุกจิกเมื่อใช้งานเป็นนานเช่นอืดอช้าเจอบัคแอฟค้างรวนปัญหาสารพัดต่างๆมากมายซึ่งการรีสตาร์ทมาร์กจะช่วยแก้ปัญหาเครื่องนี้ได้ดีขึ้นหรือหายไปได้เลยเนื่องจากการรีสตาร์ทเครื่อง หรือปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ะจะเป็นการเคลียร์แคชนะต่างต่างในเครื่องเสมอเป็นการล้างระบบที่ทำงานค้างค้างคาค า, า, าอยู่ในเครื่องหลังจากเปิดใช้งานมานานหลายวันรวมทั้งเป็นการปิดการทำงานทั้งหมดของแอปและระบบปฏิบัติการแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ ทำให้บักต่างๆที่ดาวน์โหลดไว้หรือทำงานครั้งไว้อยู่เนยมันหายไป อ, อย่าแล้วก็ตามเขาบอกนี้นะครับว่ายัมว่าการรีสตายเครื่องเนี่ยจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ อ, อย่างเช่นตัวแรมเมมตัวอุปกรณ์ในเครื่องอะคือทำแบบ ทำไมเครื่องชันช้าจังเลยเอาเรีสตาร์ทเห็นบอกว่ารีสตาร์ทแล้วจะเร็วขึ้นรีสตาร์ทค่ะอาจจะเ ป, เป็นเครื่องโดนน้ำหน้าจอรั่วน อ, อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ไม่ได้แต่ส่วนมากมักจะสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนั่นเองผู้ฟังและการรีสตาร์ทเครื่องมักจะไม่กินแบตเตอรี่มากอย่างที่คิดหรือถ้าหากกลัวว่าแบตเตอรี่จะเปลืองนะฮะก็ไวรีสตาร์ทในช่วงที่กำลังเสียบชาร์จแบตก็ได้อของผมเองเนี่ยไม่ใช่ว่ารีสตาร์ทนะปิดเลย คือคือว่าจะทำเหมือนกันแต่ว่าว่าดิฉันก็แค่ปิดเน็ตแต่ว่ายังไม่เคยรีสตาร์ทแบบตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยรีสตาร์ทเลยเนี่ยตั้งเวลาเลยมั่วฟังตีหนึ่งปุ๊บควรจะปิดไม่ปิดฉันฉันจะปิดแล้วนะมือถือบอกฉันจะปิดเลยเป็นช่วงเวลาที่ไม่น่ามีใครโทรมาใช่แต่บางคนบอกกะไวแล้วใช่ไหมกะไวแล้วแล้วก็แต่ก่อนสมมติว่าเรานอนก่อนก่อนใช่ไหมเราก็จะปิดเน็ตเพื่อไม่ให้เน็ตมันเตือนใช่ใช่แล้วก็ช่วงตีหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็จะปิดเองแล้วช่วงเช้าตีห้าเนี่ยแค่ครึ่งเข้าทำงานก่อน อย่างน้อยเนี่ยคนโทรมาตอนเช้ามืดเนี่ยเขาจะโทรมาได้แต่ว่าเราจะเริ่มทำงานแบบจะเริ่มมาใช้จริงๆเปิดเช็คนี่คุณต้องตื่นมากดเปิดหรือว่ามันตั้งเปิดเองมันจะเปิดเองหลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยมาใส่พาสเวิร์ดเราก็จะมากดแต่ปัญหาที่ว่าปัญหาอย่างเดียวคือเวลาเราใช้งานไปปุ๊บเนี่ยลาดอะไรอะ ถูกไหมคือบางคนบอกว่าเอ้ยฉันกดประจำเสร็จปุ๊บมันก็จะมีฟังชันเอ้ยสแกนลายนิ้วมือแต่พอสแกนหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรารีสตาร์ทใหม่ปุ๊บครั้งแรกที่ต้องทำงานก็คือต้องใช้รหัสใช้พิมพ์และพิมพ์ได้สี่ตัวหกตัวตอนเนี้ยค่ะใช่ทุกทุกที่เป็นเป็นหกตัวหมดละเท่ากับบัตรเอทีเอ็มละเอทีเอ็มใช่นะก็ต้องบอกว่าต้องจำจำพาสเวิร์ดของเราได้แล้วก็ ถ้าเป็นแอนดรอยก็จะมีฟังชันในการสั่งปิดปิดเปิดเครื่องนะครับหรือถ้าบางคนว่าเอ้ยกลัวแบบมีปัญหาอนุนี้นั่นไปก็อาจจะใช้ช่วงเวลาหนึ่งอ่ะในการปิดช่วงเวลาเดียวกับคุณก็ได้นะคือแบบเป็นช่วงเวลาที่น่าจะหลับกันหมดอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอาจจะตั้งแบบคุณอาจจะตั้งสักสิบห้านาทีอ่ะมันสามารถตั้งได้เช่นคุณจะปิดแบบช่วงเครื่องตีสองตีสองแล้วก็ตีสองสักตีสองห้านาทีแล้วให้มันเปิดก็ทำได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะทำงานและสามารถตั้งได้นะว่าคุณจะตัด ทำแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าหรือจะทำแค่าจาันทร์ถึงสุขเสารอ์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเขาะก็สามารถทำได้อ่ะก็ลองดูมั่วฟังย้ำว่าจะช่วยในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับบั๊กให้ให้แบบ เบาบางลงได้ไม่ได้หมดนะเบาบางออลงแต่ส่วนที่อุปกรณ์ไหนเช่นของผมตอนนี้จอเริ่มเบนลอแล้วอันนี้ใช่ไม่ได้ไ ม, มีผลหรืออาจจะเป็นหูฟังทำตกเครื่องล่วงบ่อยคือเป็นแบบบอดี้ละอะไรเงี้ยเกี่ยวกับตัวเครื่องละเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ล ะ, ะถ้าเป็นเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยได้บ้างหรือวิธีการอย่างหนึ่งคือลบ มันบ้างซักแอปไหนไม่ใช่ลบมันจะมีของอะไรนะของแอนดรอยนี่แหละมั้งน่าจะเป็นแบบคลีนเคลียนคลีนเขาจะมีตัวตัวคลีนก็จะบอกว่าเอ้ยตัวนี้เราแบบแคชตัวแบบอ่าต่างๆเนี่ยมันมีเขาจะลบลบลบลบไปแล้วก็จะบอกว่าอุ้ยภาพที่คุณถ่ายมาตอนนี้เนี่ยกี่จิกแล้วนะอะไรเงี้ยเขาจะบอกอย่างนี้นะเออคุณไม่ได้ใช้งานใช่ไหมลบไหมอะไรเงี้ยอ้าวก็ลองดูนะฮะเพราะว่าจะได้แบบช่วยให้การทำงานมันคล่องตัวเพราะบางคนบอกว่า โอ้ยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมาใหม่เรื่อยๆเนี่ยเว้ยมันมันช้างั้นต้องซื้อใหม่แล้วแหละอันนี้ไม่เกี่ยวแหละไม่เกี่ยวนะครับบางคนใช้ได้หลายปีอยู่นะฮะก็จริงๆถ้าแบบเปลี่ยนจริงๆเนี่ยอย่างเร็วนะปีหนึ่งเออก็เร็วนะปีหนึ่งก็เร็วนะอย่างเร็วนี่คือปีหนึ่งอย่างช้าผมว่าแบบลากริงจริงเนี่ยใช้จนสิ้นสุดอายุขัยสักห้าปีแบบช้านะอย่างช้าแบบเพราะว่าห้าปีจะจะเกิดปัญหานี้ฮะ แบตเสื่อมอ๋อใช่อันอื่นไม่เท่าหรอกแบตเนี่ยจะมาก่อนแบตเสื่อมแล้วเครื่องเครื่องเล้าม่วงอ่าคือคือคือความหมายอีกนึงคืออ่าตัวเมมโมรี่ที่อยู่ในเครื่องที่เราต้องใช้ในการอัพประมวลผลเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอละใช่ค่ะมันจะรู้สึกว่าช้าไปเองนั่นแหละคือห้าปีผมว่าถ้าห้าปีนี่คุ้มละใช่ใช่แล้วราคาที่จะซื้อใหม่ก็ไม่ได้สูงมากเออก็ลองดูว่าใช้แบบสไตล์ไหนคือเดี๋ยวนี้มีให้เลือกเยอะมากๆเลยอะ เลือกไม่ถูกครับเออเพิ่งออกไปหลายรุ่นด้วยเราตามสองชั้นที่คุณชอบและกันนะครับใช่ไปกันต่ออเนกฟิกสักนิดนึงน ะ, ะคือจริงเนี่ยเขาบอกว่าอ่าในส่วนของเนทฟิกเองเนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่ที่เล่นเล่นวิดีโอด้วยความเร็วหนึ่งจุดห้าเท่าอันนี้คิดในใจเลยพออ่านหัวข้อแบบ เพื่ออะไรเหรออืออาจจะแบบกรออย่างนี้หรอห <c oughs> รอคือปกติก็กรออยู่แล้วแต่ว่าต้องใช้เมาส์ไงไม่แต่ตัวฟังก์ชันของเน็ตฟลิกซ์เองเนี่ยมันก็จะมีแบบถ้าคุณเล่นครั้งแรกปุ๊บเนี่ยคุณก็จะดูทีเซอร์ไปก่อนอ่ะแบบดิฉันไม่ดูกดสคริปข้ามเลยนะอันนั้นแหละแต่ถ้าไมากแ่ถ้าคุณเป็นซีรีส์ใช่ไหมซีรีส์ครั้งแรกเนี่ยมันต้องให้ดูก่อนเรื่องจบเสร็จปุ๊บแล้วถ้าคุณดูตอนที่สอง EP สองปุ๊บมันถามว่าจะข้ามตอนต้นไหมข้ามค่ะข พอข้ามเสร็จปุ๊บมัน<ม>คือว่าความเดิมตอนที่แล้ว<อ>จะความเดิมตอนถึงไหมคือความเดิมจะนานนิดหนึงค่ะคุณคือแบบมันไม่ทบทวนอ่ะบางคนบอกว่าถ้าจะทบทวนอ่ะดูนิดมันก็ไม่ไม่เยอะมากแต่ถ้าจะข้ามเลย ม, มันก็จะข้ามป<ม>ุ๊บ อันนี้เป็นเวอร์ชันที่ดูในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมดูในดูดูในโทรศัพท์ทีวีอ๋อทีวีคืออันนี้เป็นน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ดูในในโทรศัพท์อะค่ะคุณนะคะของเพราะว่าเป็นเว็บไซต์แอนดรอยด์เบรสนะคะมีการรายงานสำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันเน็ตฟลิกบนระบบ ป, ปฏิบัติการแอนดรอยนี่แหละให้สังเกตเห็นฟีเจอร์ใหม่นะคะของแอปเน็ตฟลิกเนี่ยที่อนุญาตให้ผู้ใช้หรือว่าผู้เล่นวิดีโอที่ดูวิดีโอนี่มีให้เลือกระดับความเร็วด้วย อันดับแรกเนี่ยก็คือเหมือนยูทูบเลยนะลดความเร็วลง 0.5x ค่ะหรือว่า 0.75x นะคะเพื่อรับชมเนื้อหาแบบ slow motion อันนี้ถามใจใจอีกแล้วว่าเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> เร่งความเร็ว 1.25x นะคะแล้วก็ 1.5x นะคะเพื่อรับชมเนื้อหาความเร็วขึ้นคือให้เร็วขึ้นเป็นการเร่งหรือว่าลดความเร็วในการชมนั่นเองถามว่ามีประโยชน์อะไรสำหรับในยุคนี้ล่ะในการลดหรือว่าเพิ่มความเร็วอันนี้เขาไปหาแนวคิดมาด้วยนะจากแนวคิดในการเร่งความเร็วสำหรับการรับชมเนื้อหาเนี่ยไม่ใช่สิ่ง นะะเนื่องจากฟังก์ชันอันนี้เนี่ยได้ถูกนำมาใช้ในการฟังเขาเรียกว่าเออดิโอบุ๊กข้าวคุณหนังสือเสียงคือได้ใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็สำหรับคนที่ผู้ฟังสามารถ เ, าเร่งความเร็วเพื่อฟังเนื้อหาให้เร็วขึ้นได้โดยยังสามารถเก็บรายละเอียดแล้วก็ความสนุกของเนื้อหาไว้ได้ แต่ว่าสำหรับการรับชมวิดีโอเนี่ยอาจจะต่างออกไปนิดนึงนะคะเนื่องจากการเก็บรายละเอียดเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียรายละเอียดบางส่วนของเนื้อหาไปโดยเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยเลยเอาในเรื่องของความเหมาะสมสำหรับผู้ชมที่ไม่มีเวลามากพอในการรับชมภาพยนตร์ที่มีความยาวมากๆเพราะว่าเน็ตฟลิกส์ส่วนมากจะเป็นซีรีส์ที่คุณบอกนะคะแล้วก็ซีรีส์จำนวนหลายตอนจบในซีซั่นนั้นคือบางคนเนี่ยแบบดูแล้วหยุดดูไม่ได้ไง นะคะยังไงก็ตามเองเนี่ยอันนี้เนี่ยยังเป็นเพียงแค่ฟีเจอร์ที่เน็ตฟลิกทดลองเท่านั้นแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดให้ใช้เป็นวงกว้างเท่าไหร่แค่ทดลองใช้บางส่วนนะคะบางคนอาจจะยังไม่เห็นฟีเจอร์ตัวนี้ด้วยซ้ำนะคะก็ดูปกตินี่แหละค่ะจริงๆมันก็เลื่อนได้ปกตินะคือดูไปเลื่อนไปถ้าดูในคอมเนี่ยก็เลื่อนได้เลยค่ะกดตัวซ้ายขวาเนี่ยเลื่อนได้ปกติดิฉันเลื่อนประจํา <laughs> คือมันอาจจะมีความยาวเกินไปสำหรับคนที่แบบ มาตรงนี้หน่วงจังเลยอาจจะแบบฟังให้ช้าลงนี่หรือเปล่าเพราะบางทีมันจะมีเป็นเวอร์ชันสำหรับหนังสือเสียงด้วยในเน็ตฟลิกในเน็ตฟลิกถ้าเป็นหนังสือเสียงอาจจะใช้ได้อยู่อ่าอืมอ่ะก็อาจจะทำมาซัพพอร์ตแล้วก็บางทีเอ่อเราจะเห็นตัวแบบสโลว์สปีดอย่างเงี้ยมีในยูทูบอืมอืมเขาบอกว่าไปทำอะไรฮะเพื่ออะไรเอาไว้ดูถ้าเป็นแบบคนไหนที่แกะท่าเต้นแกะท่าเต้นอะไรเงี้ยเออจริงอันนี้ใช้ได้จริงนะหรือบางคนบอกว่าฟังเพลงแบบ แบบอ่ามันมันหน่อยอยากให้มันก็ได้อีกเร็วขึ้นมันก็จะสนุกขึ้นก็แล้วแต่คนนะความจังหวะมันก็จะแบบสนุกขึ้นดิทึ่มมันก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวจากนิดนึงนะฮะตอนนี้เขามีการพูดถึงเรื่องแกล็บกันแล้วคุณผู้ฟังนะฮะมาอัปเดตกันหน่อยใครที่ใช้งานกันอยู่แล้วก็มีแอปนี้อยู่ในมือถือแล้วก็บอกว่าโอเคล่ะ ช่วยใช้แล้วก็รู้สบายใจใช่ค่ะนะฮะ ก, ก็ความชอบต่างกันของผู้ฟังนะฮะมันก็บอกว่าอย่างนี้เอามาดูหน่อยทางกรมการขนส่งทางบกนะฮ ะ, ะทางแฟนเพจของเขาเองมีรายงานออกมาว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสักสยามชิดชอบเนี่ยนะฮะเขาเปิดเผยความคืบหน้าการให้บริการรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอพพลิเคชันเนี่ยชื่อแบบผู้สลวยสวยหรูเลยนะฮะค่ะนะฮะอันนี้ชื่อชื่อแบบทางการทางการชื่อแบบว่าทางราชการตาครุฑอ๋ออ่า การให้บริการรดรับจ้างสรรารพรณะผ่านเอางคอแอ plex น์แอ ника ที่เชิญ ε picky สหรอมม iteration อาจจะรวมทุกอย่างซีเกิน爸 <ๆ S 2> การยิน passed แอบมื Pilots ทุกอย่างแอบที่เหตุอได้ชื่อร์ Restaurant นะๆทุดอย่างซีตอนนี้กรมการของ corporate ผู้ท้องทังหมดเองก็ปชัช น, น, นะครับแล้วชุมกำห황ตัยร ielle คาสวระค ut ว่าตุฬราคมนี้จะยกร่างเกระ็จส่วงและก นะครับต้นเดือนหน้า ค, คือพฤศจิกา ย, ยนจากนั้นเสนอคอรามอเห็นชอบในเดือนธันวาคมแล้วก็พอคอรามอเห็นชอบก็จะส่งไปคณะกรรมาธิการกรรษ า, า, า, า, าดีกาไปตรวจสอบออกฎหมาย ค, คือภาษาสมภาษาต่างๆ ม, มันต้องปรับอะไรให้มันมีความคื อ, อเขาเรียกว่าเจตนารมณ์ต่างๆเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ดูภาษา ภาษาราชการภาษากฎหมายเนี่ยเขียนเขียนยังไงให้เป็นอย่างนั่นแหละพูดไม่ถูกบัดเออเออต้องนิดนึงต้องตรวจสอบหน่อยและหลังจากนั้นเนี่ยคาดว่าเมื่อเกศดีกาตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะสามารถประกาศดำเนินการหรือประกาศใช้ได้ในช่วงของมีนาคมปีหน้าคือนโยบายที่จะทำให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายนี้เพื่อความสะดวกแล้วก็เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการเนื่องจากตอนนี้มีประชาชน นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการรับจ้างแกร็บ <Grab, S 2> และก็แอปพลิเคชันอื่นๆที่ยังผิดกฎหมายอยู่อ้าวตอนนี้ก็สำหรับผู้ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้บริการมาให้บริการผ่านรับจ้างผ่านแอปเนี่ยนะฮ ะ, ะต้องมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ด ที่นั่งอายุไม่เกิน9ปีหให้บริการผ่านแอปเท่านั้นต้องติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ตามกำหนดมีเครื่องสื่อสื่อสารมีชัดเจนนะฮะมีใบอนุญาตขับรถแสดงข้าดิษฐานให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย3ภาษานะฮะไทยอังกฤษ จ, จีนออแล้วก็มีประกันเพิ่มเติมจากภาคบังคับด้วยะนะฮะเอาแต่จริงๆก็คือ ตัวอายุของรถเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขของ gap อยู่แล้วนะถ้ารถอายุเกินเนี่ยเขาก็ไม่รับใช่คือจริงๆมันมีเงื่อนไขอยู่สำหรับคนที่ต้องการจะเข้าไปทำคลายเข้าไปทำในส่วนของรถสาธารณะแบบนี้นะคะในแอปพลิเคชันแบบนี้นะคะคือไม่ใช่แบบโอ้โหใครก็เข้าไปได้เนาะเขามีการตรวจรถไปยื่นอะไรไปอบลมอะไรอย่างเงี้ยต้องผ่านมาตรฐานนิดนึงแต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะครับที่ ทางภาครัฐเองก็หาโอกาสหาจุดร่วมกันนะครับประชาชนก็ได้ใช้ได้ความสบายใจใคนที่มาใช้บริการเป็นแบบเอารถตัวเองมาทำแบบรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเองก็จะรู้สึกแบบเออฉันปลอดภัยจะไม่ต้องมีขุดงขดีตามข่าวต่างๆที่เราเห็นมันน่าจะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าสมมติมันถูกกฎหมายมนะคะอ้าวแต่ถ้ารถแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะมีรถนี่นะ รถแท็กซี่พี่พีแท็กซี่เองอมก็ไปทำ Grab แท็กซี่เหมือนกันใช่ก็ดีไปอีกอย่างหนึง่งคือบางทีเนี่ยบางทีโบกโบกโบอ ก, บ อ, กอ่ะก็บอกว่าแบบเหมือนไหมแบบโบกแล้วไม่คลิกกันค <c oughs> ือบีในทวิตเตอร์แล้วคุณคุณคุณจัดใช่ไหมคุณจัดที่เป็นผู้สื่อข่าวฮะเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่เขาจะมาจัดรายการ เขาบอกว่าเขาโบกแท็กซี่ประมาณสิบคันก็ไม่มีใครไปเลยเขาก็แบบระบายลงในทวิตเตอร์อะไรอย่างงี้โมโหมากสิ่งที่แบบว่าเจอปัญหาบ่อยก็คือไม่ไปช่วงฝนตกแบบกำลังกำลังที่แบบกำลังพีกำลังพีกำลังแบบไปปลอยอ่าเริ่มเริ่มไปปลอยเนี่ยเริ่มเริ่มเกิดจะยากละเริ่มจะยากละแล้วพอเริ่มมีคนโบกเยอะเท่านั้นแหละโอ้โหไม่ไปไหนเลือกก็จะนี่นะก็จะแบบไม่คลิกกันดวงไม่สมโพรงกัน นิดหนึ่งเนาะคือบางทีก็แบบโบกหลายคันแล้วไม่ไปสักทีแล้วทำไงดีละ่ะก็คือนี่วิธีการอย่างหนึ่งผมว่าอย่างนี้นะฮ ะ, ะวิธีการก็คือเลี่ยงวิธีการจะได้ไม่เจอปัญหาว่าส่งกะ <c oughs> ส่งกะคือเจ้าของอู๋เนี่ยต้องเปลี่ยนเวลาใช่ต้องรีบกลับไม่คุณต้องส่งกะประมาณแบบบ่ายโมงถึงบ่ายสามอย่างเงี้ยฮะเชื่อ <c oughs> เวลาพิคพิกเนี่ยห้ามส่งกะ <c oughs> อ๋อเออใช่แบบให้แบบ ช่วง<ม>เวลานี้ห้ามห้ามถูกไหม <us> จะมีปัญหาเยอะก็คือตอนที่แบบส่งกะก็คือเดี๋ยวไปส่งรถครับสี4่โมงเย็นถึงประมาณสักสองทุ่มเนี่ยส่งกะตลอดเลยเป็นช่วงเวลากลับบ้าน <us> นะเนี่ย <us> วิธีการง่ายๆก็คือ <Goodness. S 1> ว่า เพื่อนวินิเพื่อนเวลานับเวลาใหม่เออจริงๆเขาไม่รู้เขานับเวลาจากอะไรน่าจะนับเวลาจากการที่แบบนำรถนำรถออกมาใช่แต่จริงๆถ้าถ้ากำหนดเวลาเหมือนคุณเช็คอินไงถ้าคุณจะเข้าโรงแรมนี้คุณต้องเช็คอินตอนสิบเอ็ดโมงหลังเที่ยงแต่คุณต้องเช็คเอาท์ก่อนสิบโมงเช้าบางโรงแรมก็ดีหน่อยให้เที่ยงตรงแต่ถ้าเลยเที่ยงคุณต้องนับอีกวันหนึ่งใช่ คือมันเป็นมาตรฐานเนาะอันนี้อาจจะมีมาตรฐานออกมาก็ได้นะไม่เขาอาจจะแบบไม่คือมันยังมีกำหนดไงคือคนที่ทำอันนี้เราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะไปส่งกะกันช่วงเย็นเย็นกับเติมแก๊สกับเติมแก๊สนะจริงๆน่าจะแบบว่าช่วงนี้ฮะแบบปิดนะเขาบอกว่าไม่ได้เปล่าต้องเติมแก๊สไหมอะแก๊สยังไม่เท่าไหร่แก๊สยังพอได้อยู่แต่จริงๆก็กวนที่จะแบบ อ่าเป็นช่วงเวลาของพี่พี่แท็กซี่อะไรเงี้ยให้เป็นช่วงเวลาเขาไปเลยอย่างเงี้ยก็จะดีหน่อยเงี้ยแต่แต่หลังๆก็เริ่มโอเคขึ้นนะคะโอเคดีแล้วนะก็ดีแล้วนะฮะก็ให้กำลังใจพี่พี่แท็กซี่นะฮะนี่เขาเขาเขาใช้สายไอ้ฉายาว่าอ่าขับรถสายเก้าสามห้าเก้าสามห้าคืออะไรอ๋อเก้าสามสิบห้าบาทเออนะฮะได้อีกไหมอ่ะนั่งหยุดหรอได้ได้อยู่อ่านซักข่าวหนึ่งสั้นๆแล้วกันนะสั้นๆนะ น้องโบอกมือขอสั้นๆละกันแอปพลิเคชันบริจาคอวัโยวะนะคะจริงๆเปิดตัวมานานพอสมควรบนทางแอปสโตร์แล้วก็เพย์สโตร์นะคะของแอนดรอยด้วยไอโอเอสด้วยที่นี้เขาบอกว่าบางคนเนี่ยแบบไม่มีเวลาไปให้แบบใช้บริการอะไรนี่น ะ, ะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ค่ะเพียงแค่ คุณเข้าไปเซิร์ชคำว่าบริจาคอวัยวะเนี่ยแหละมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามหรือว่าลงบนมือถือคุณเรียบร้อยนะคะก็มีการสแกนเคอร์โค้ดในหน้าแรกเนี่ยจะบอกสถิติต่างๆบอกขั้นตอนวิธีการบริจาคอวัยวะแล้วก็ล่าสุดมีกิจกรรมต่างๆด้วยในแอปพลิเคชันนี้นั่นเองนะคะอ้าวการบริจาคอวัยวะอย่ากลัวคือบางคนกลัวไงบริจาคปุ๊บข้าเจ้าของเขาไปเลยไม่ไม่เดี๋ยวก่อนใจเย็นบริจาคดวงตาอวัยวะอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะมีแบบ บริจาคมันจะมีร่างกายบริจาคอวัยวะไม่บางคนเขาถือแบบบริจาคเราจะแบบเลือกไม่ดีหรือเปล่าไม่แต่ตอนนี้เรื่องความเท่าไรแล้วไงแต่บางคนก็กลัวว่าบริจาคไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยยังแต่คือกระบวนการว่าเราแจ้งเจตจำนงไว้แต่พอถึงณจุดนั้นจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพร้อมไม่พร้อมสภาพร่างกายคุณพี่อาจจะใช้ไม่ได้ใช่คือณตัวนั้นเช่นระยะเวลาไม่ได้ ถ้าถ้าเหมือนว่าร่างกายยังตอบสนองแต่ว่ า, อ, าอยู่ในขั้นสุดท้ายแล้วก็จะอยู่ที่ว่าญาติ ย, าดยินยอมหรือเปล่า อ, อย่างไรเช่นถ้ายินยอมอะแต่ถ้าแจกความจำลองไว้ว่ามีจารวิวะก็สามารถใช้ตรงนี้ในการไปปลูกถ่ายต่อได้แต่ไม่ใช่ว่าโหเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยเรามาใช้ไม่ใช่ไม่ได้นะฮะอ้าวก็ แสดงเจตจำนงไว้ก่อ น, <c oughs> นครับ <c oughs> เป็นอีแอปพลิเคชันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาคอมพิวเตอร์นะคะติดตามกันใหม่ในครั้งหน้าละกันนะคะจะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆแบบนี้นะคะดาริสาตระกูลเก็กพร้อมด้วยคุณปีพงศ์เคนทาวายต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ